ยายามเปที่ว่างให้สติของเราได้เติบโตนะเหมือนกับเราเตรียมดินเอาไว้ดินมันลกลกไปด้วยวัชพืชสติก็ไม่มีช่องจะเติบโตงอกงามได้เดีย๋ยวให้ใจของเราไปมันลกไปด้วยสิ่งที่เป็นบาเป็นอกุศลหรือว่า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 สติของเรานี่มีอยู่แล้วนะแต่ว่าอาจจะไม่มีโอกาสได้เติบโตเท่าที่ควรเพราะว่าพัดสะพืชมันลกมันงับนะเลยต้นสติเลยไม่ค่อยได้เดติบโตนี่เราก็ต้องค่อยนะถางออกไปบ้างนะให้มีที่ว่างให้แดดได้ส่องนะ เติมน้ำลดน้ำส่วนดินเข้าไปใส่ปุ๋ยด้วยยิ่งดีคูอใช้ความเพียรนะแล้วก็ใช้สมาธิแล้วก็เอาความตั้งใจของเราเนี่ยนะเป็นน้ำเป็นดินเป็นแสงแดดเป็นปุ๋ยต้นไม้เวลาจะโตนี่มันช้านะเราไม่ค่อยสังเกตหรอกว่ามันคันโต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 ก็ดีหรอกแต่ว่ามันสงสัยว่าเอ๊ะมันโตขึ้นบ้างไหมรากมันลึกขึ้นบ้างไหมมันทำงี้งานก็ดึงต้นไม้มาแล้วมาดูว่ารากลึกแค่ไหนเสร็จแล้วก็ใส่ปักต้นไม้ไปในดินใหม่แล้วก็ลดน้ํารดน้าเสร็จก็มาดูอีกว่าดินรากมันลึกไหมอย่างนี้แล้วลองต้นไม้จะตายคนเชือ่อกรรมมาก็สังหลบเลยโอ้ต้นไม้ตายไปแย่ สตินี่พระพุทธเจ้าว่าเปรียบว่าเป็นเป็นใหญ่ในบรรดาธรรมทั้งหลายสติเป็นใหญ่สมาธิเป็นตร ม, มุกปัญญานี่เป็นยอดยิดมุตนี่เป็นแก่นนิพานเป็นที่สุดเป็นจุดหมายในสตินี่อย่าไปจะไปดูถูกเขานะาเขาเป็นใหญ่ในบรรดาธรรมทั้งหลาย สมาธิก็เป็นความมุขกัญญาก็เป็นย่อดนะสามตัวนี้สําคัญนั่นสติพูดมาได้ยินมาก็บ่อยโดยข้อมือมาวัดนี้มาที่นี่สติคืออะไรก็ต้องทำความเข้าใจสติคือความระลึกได้ีพูดแบบรวมๆความระลึกได้ถึกไม่ลืมไม่ลืมไม่ห ล, ลงคนเราระลึกได้หลายเรื่องระลึกได้ว่ามีนัดกับใครที่ไหนระลึกได้ว่า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 พุทธศาสนานี่เราก็พยายามโยงกลัมาที่เรื่องตัวเองเราไม่ลืมตัวแปลว่าและไม่ลืมตัวคนที่ได้ดิบได้ดีแล้วไม่ลืมตัวว่าตัวเองนี่ก็เคยเป็นชาวไร่ชาวนาต้องไม่ลืมกรรมพืชเดิมไม่หลงตัวอันนี้ก็เรียกว่าอามีสติได้เหมือนกันนะไม่ว่าจะ เป็นใหญ่เช่ไนไรก็ยังมีสติระลึกได้ก็เออฉันเคยเป็น ค, คนยากคนจนฉันเป็นอัวที่ไม่ลืนตีนออันนี้ก็เป็นความระลึกได้อย่างหนึ่งเป็นความไม่ดืนตัวทำให้เราอ่อนน้อมถ่อมตัวเมือ่อต้ตนข้าวต้วนข้าวที่แม้ว่าจะมียิ่งมีรวงมาถลแหละก็ยิ่งอ่อนน้อมโค้งลงมาสู่ดินอันนี้รว่าไม่ดืนตัวคือกลับสู่ลาก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 ถ้าเราปล่อยใจให้ออกไปตามตาตามหูตามโฉดรามลิ้งตามกายนี่ก็ลืมตัวได้เหมือนกันนะนันต้องระวังอย่าไปลืมตัวอย่างเรื่องของนับปฏิบัติมีภาสีรูปเขาตั้งใจจะปฏิบัติดับอุตตกติบตกลัวเมนว่าจะนั่งสมาธิไม่พูดไม่คุยกันเจ็ดวันวันแรกนี่ก็ ตอนเช้าก็ผ่านไปด้วยดีแต่ทบปอตอนบ่ายได้ยินเสียงผูกกับผูกกับที่วิหารอารุมก็เปิดพูดขึ้นมาว่าเอ๊ะมีใครลงกรนวิหารหรือเปล่านะเดี็กมีผลเข้าไปนะดูที่สองก็บอกว่าอ้าวท่านดืมไปเว่าเราตกลงว่าจะห้ามพูดท่านที่สามก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วท่านทั้งสองพูดทําไมท่านที่สี่บอกพูดท่านนี้แยกมันเลยพูดทุกคนมีผมคนเดียที่ไม่ได้พูด นี่ลืมตัวลืมตัวลืมตัวเพราะอะไรเพราะว่าอยากจะคุยโมะนะอยากจะคุยโม้ว่าฉันเก่งแล้ว่าจ้องจับผิดผู้อื่น่ยนะคนเราก็มีสองอย่างทําทให้ลืมตัวคือชอบไปจ้องจ้องผู้อื่นจ้องจับปิดก็ดีจ้องดูเข้าก็ดีแล้วก็อยากจะคุยโม้ว่าฉันเก่งฉันแน่เนะี่ยมันก็ทําให้ลืมตัวได้ความต้องอยากจับปิดนี่เรียกโทสะมันมีโทสะอยู่ ก็คอย่องจับผิดเมื่อไม่ชอบเขาก็ต้องจับผิดเขาความผิดอยากจะปวดตัวว่าฉันเก่งฉันไม่พูดเลย น, นี่เรื่องมารณ์มาณคือความอยากจะให้ตัวดนิ่งดันเด่นแต่คน mm hmm. เราลืมตัวได้ด้วยเหตุ น, นี้แหละแต่ลืมตัวที่สำคัญที่สดก็คือลืมลืมตัวไม่รู้ตัวว่าโกรธไม่รู้ตัวว่าทุกข์ไม่รู้ตัวว่ากําลังเศร้า น, นี่สําคัญมากที่ทําให้จิตเป็นเรื่องที่เราต้องมาเราสุดกันเพราะรว่าคนเรานี้ิพก็ไม่รู้ตัวทุกคค็ลืมตัวเราลืมตัวไปให้ความโกรธเข้ามาครอบงาำเราลืมตัวไปให้ความเสียดเข้ามาครอบงาำความทุกข์ความเศร้ามาครอบงาำรู้เหมือนรู้ตัวแต่จริงไม่ใช่มันทําท่าจะรู้ตัวเสร็จแล้วก็หลุดเข้าไปในความทุกข์หลุดเข้าไปในความเสียเวลาเรา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 แต่ก่อนเราจะปล่อยใจไปตามใจชอบแต่พอเรามีหลักเอาอิเียบทมาสั้งเป็นหลักเสมอเมื่อไหร่ก็ให้ระลึกได้ว่าเออแสงกำลังสร้างจั ง, ง, ง, งหวะเดินจังกรมนะดึงกลับมาดึงจิงกกลับมาอยู่ที่การสร้างสังหวะเดินจังกรมอันนี้แหละจะสุขให้มีความระลึกตัวมีความระลึกได้อยู่บ่อยๆ ม, มีความรู้ตัวอยู่บ่อยๆรู้ตัวว่าหลงดึงกลับมาอันนีความรู้ตัวอยู่กับอิเลียบทการเคลื่อนไหว เดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งสร้างจังหวะก็รู้ว่าสร้างจังหวะกินก็รู้ว่ากิน น, น, นี่แหละคือสติสตนินี่มีอา น, นิสงสหลายอย่างนะตั้งแต่เรื่องขึ้นพื้นเปจนถึงเรื่องสูงสูงพระเจ้าปเสนที่โกศลเคยตรัสกับพระพุทธเจ้า ว, ว่าอิจัดเลอกเกินนะเพราะว่าร่างกายตัวใหญ่กินเยอะกินจุพระจาปัญญาวันให้มีสติให้มีสติรู้ประมาณในการบริโภค และเลยขณะจะเบาบางาแต่แจกชาอาวุธยืนพระเจ้าประเสริฐที่โกสลก็ไปทําตามก็เวลาฉันเวลาสวยก็มีคนมาเตือนมาทูนว่าให้มีสติให้รู้ความมาในการบริโภคคือกินแต่พอดีก็ปรกว่าก็ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นก็มากราบทูลพู้เจ้าสารเสด็จผู้เจ้าว่าผู้เจ้ารู้ทั้งเรื่องโลกปัจจุบันแล้วก็รู้ทั้งโลกโลกียะแล้วก็โลกุตตะ สติมีประโยชน์แม้กระทั่งการกินเรื่องพื้นื้นนะช่วยให้แก่ชาอายุยืนนี่ก็สติใครที่อยากจะจิตให้มีสติสงบไม่ใช่แก่ชาอายุยืนหรืว่ามีสุขภาพดีเท่านั้นเดี๋ยวให้จิตสงบองต้องอาศัยสตินะเพราะว่าความสงบที่แท้คือการที่จิตนะมีความกึ่งหลุดอยู่ภายในก็ต้องอาศัยสติเพราะถ้า ม, มีสติฟุ้งซ่าน ความสงบก็ต้องอาศัยสติอยากรู้จักพระพุทธเจ้าหรือก็อาศัยสติเหมือนกันนะตุลจศิไป์กลาา่าวว่าผู้ใดที่มีมีสติตั้งมั่นนะเมื่อเห็นระูปนะก็มีสติสะท้หน้าไม่ไม่ยึดติตในรูปนั้นปล่อยวางในรูปนั้นได้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ใกล้วิพากษ์อยากใกล้วิพากษ์ก็อาศัยสติอีกเหมือนกัน อยาพบพรทธเจ้าก็อาศัสติผู้ใดที่มีสติตั้งมั่นก็เท่ากับว่าได้เห็นเรามีสติสัมมูลอินทรีย์ก็เท่ากับว่าเห็นธรรมเห็นธรรมก็เท่ากับว่าเห็นเราจะมากราบกีดข้างกีดข้างก็ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าจะมาแม้กระทั่งจะมาชุดใจชายกีว่าพุทธเจ้าก็ไม่เท่ากับว่าเด่นพระพุทธเจ้าสถาบันที่มีสติสัมมูลอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นใจมีความสัมรวมสัมรวมในที่นี้คือว่าไม่ยินดียินไล่เมื่อตาเห็นรูป หูดิ้นเสียงเป็นต้นอยากกบพุทธเจ้าก็ต้องมีสติอยากใกลนิพพานก็ต้องมีสติอยากเอาชนะความตายก็ต้องมีสติพุทธเจ้าเคยแนะนำวิธีที่จะทําให้มรรตุรันไม่เห็นตัววิธีทําให้มรรตุรันเห็นตัวทําอย่างไงโมฆาราชเคยถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็บอกว่าก็มีสติตั้งมัน่นมีสติตั้งมัน่นมองเห็นโลกว่าเป็นความว่างเปล่า ลองโลกเปามวางเปล่าคือว่อางเป่าจากตัวตนว่างป่าจากตัวตนก็คืออนัตตาคือสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมมองคับได้ไม่มีตัวตนที่เพียงแค่ยั่งยืนมันแปรเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยไงนี่ท่านมีสติเห็นโลกว่าเป็นของว่างเปล่าด้วยตัวตนอย่างนี้นี่ก็เท่ากับว่ามัจจุราชมองไม่เห็นตัวเอาชนะมัจจุราชได้ที่มัจจุราชมันจะจับเราไปได้ก็ต่อเมื่อ เห็นตัวเราหรือว่าเรามีตัวมีตนแต่ถ้าเราไม่มีตัวไม่มีตนแล้วนะเพราะไม่มีความสําคัญตั้งหมายในตัวตนมันจะร่ายการทำนีไม่ได้อย่างท่านผู้การผู้ตัดหลายครั้งในการที่จะไม่มีตัวตนนี่ก็ลองใส่พลสติกตาจะับพาหิยะใส่กับพาหิยะว่านี่ผูได้เห็นเห็นลูกก็สักแต่เห็นก็สัพแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินได้กึงก็สัพแต่ว่าได้กลิ่นแด้รับรู้อารมณ์ธรรมอารมก็ก็รู้ ในธรรมลมนั้นแต่ว่ารู้เมื่อ น, นั้นเธอจะไม่มีเมื่อเธอไม่มีเธอก็ไม่ปรากฏทั้งในโลกนี้นและในโลกหน้าและในปรากฏนี้เราทั้งสองนี่แหละคือที่สุดแห่งทุกข์สติปัญญานี่คือปุบายสลายตัวตนคนเราถ้ายังไม่ยังไม่มีสตินี่มันก็ไปสัำคัญบรรหม้ว่าว่าเป็นตัวกูของกูอยู่ลําไปอย่างเช่นเวลาเราเดินเนี่ย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 พอฉันเป็นผู้ทุกข์ฉันเป็นผู้เจ็บนี่มัจุลาจะเห็นตัวเลยนะเห็นตัวผู้ทุกข์เห็นตัวผู้เจ็บก็เลิงลานได้แต่ถ้ามีสติไอความสําคัญเมื่อหมายว่ามีผู้เจ็บผู้ป่วยนันก็ไม่ปรากฏนะนี่แปลว่าเนี่ยตัวตนไม่นีตัวตนไม่มีมัจุลาประทามจับไม่ได้อันนี้เรื่องนี้ก็อาจจะไม่คุ้นเพราะไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าให้ให้ใหรลึกว่า เอออย่าเป็นเป็นผู้เป็นนะเป็นผู้เห็นก็รับกันเห็นความคิดแต่ย่าเป็นผู้คิดเห็นความปวดความเมื่อยแต่ว่าย่าเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยเป็นผู้เห็นนั่นแหละอันนี้เรียกว่ามีคืสติมั่นคงระลึกได้เมื่อเราระลึกได้เราก็ไม่เข้าไปเป็นผู้เป็นให้เข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้อ้โสติที่มันอานิสงสงเยอะมากทั้งแต่เรื่องอ ง, ง่ายๆเรื่องพื้นๆเรื่องการกินการนอนนอนแม่หลักก็ต้องใช้ใช้ใช้สตินะ พอคนนอนไม่หลับเนี่ยก็บางทีก็ก็ตกใจหรือว่าก็กังวลนะยิ่งกังวลยิ่ไม่หลับแต่ถ้าทําใจสบายๆว่าช่างมาันช่างมาันคืนคืนนิ้วตามลมหายใจไปมันจะหลับก็หลับไม่หลับก็ไม่หลับเดี๋ยวมันก็หลับไปเองนะคิดเองเนี่ยก็หลับไปไนดะ้นี่ต้องมาใช้สติเหมือนกันการกินก็มันใช้สติกันเนะมันแคใช้สติอยากจะค้นทุกข์ก็ต้องใช้ส ต, ส ต, สส ต, เ ต, สติเดี๋ยวจะเข้าใจนิพพานก็ต้องใช้สติ อยากจะเอาชนะความตายก็ต้องใช้ชสติพูะเจ้าึงบอกว่าสตินี่เป็นเป็นใหญ่เป็นใหญ่ในบรรดาธรรมทังควงเพราะนั้นก็พยายามตั้งใจปฏิบัติกันนะให้มีให้เกิดชนทะในการปฏิบัติเพื่อทำให้เราอุปสรรคก็จะกลายเป็นเรื่องได้ขึ้นมา